สัปนกวักวักว่าด้วยสัตว์มีชีวิตเป็นวักที่เจดมีสิบสิกขาบทคือสิกขาบทที่หนึ่งสัปนกวักในปาจิตติยกันห้ามฆ่าสัตว์พระอุทายีเกลียดกาจึงยิงกาตัดศีรษะเสียบไว้ในลาวพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุจงใจฆ่าสัตว์ ต้องปาจิตตีสิกขาบทที่สองสัปน ก, กวั์ในปาจิตยาการห้ามใช้น้ำมีตัวสัตว์ภิกษุพวกหกหรือภิกษุฉับ พ, พัีรู้อยู่ใช้น้ำมีตัวสัตว์เป็นที่ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุรู้อยู่ใช้น้ำมีตัวสัตว์ ต้องปาจิตติสิกขาบทที่สามสัปน ก, กัลวัตในปาจิตติยักันห้ามหรือฟื้นอธิกรณ์ที่ชำระเป็นธรรมแล้วอธิกรณ์ในคำวัดใช้หมายถึงสาเหตุคดีเรื่องราวปัญหาความยุ่งยากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ที่สงฆ์ต้องจัดการสะสางหรือดำเนินการทำให้สงบ หรือเป็นไปด้วยดีภิกษุพวกหกรู้อยู่หรือฟื้นอธิกรณ์ที่ชาระถูกต้องตามธรรมแล้วเพื่อให้ชาระใหม่พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุรู้อยู่หรือฟื้นอธิกรณ์ที่ชาระถูกต้องตามธรรมแล้วเพื่อให้ชาระใหม่ต้องปาจิตตี สิกขาบทที่สี่สัปน ก, กวักในปาจิติยกันห้ามปกปิดอาบัตชั่วหยาบของภิกษุอื่นพระอุปนนทสากยาบุตรต้องอาบัตสังฆาทิเศษแล้วบอกกับภิกษุอื่นขอให้ช่วยปกปิดด้วยภิกษุนั้นก็ช่วยปกปิดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุรู้อยู่ ปกปิดอาบาตชั่วยากของภิกษุต้องปาจิตตีสิกขาบทที่ห้าสัปนกัลวะในปาจิตติยะกันห้ามบวชบุคคลอายุไม่ถึงยี่สิบภิกษุทั้งหลายให้เด็กๆอุปสมบทเด็กๆ เ, เหล่านั้นลุกขึ้นร้องไห้ขออาหารกินในเวลากลางคืนเพราะทนหิวไม่ไหว พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุรู้อยู่ให้บุคคลมีอายุต่ำกว่า20บอุปสมบทผู้นั้นไม่เป็นอันอุปสมบทภิกษุทั้งหลายที่นั่งเป็นพยานต้องถูกติเตียนและในข้อนั้นภิกษุผู้เป็นอุปชายยะให้บวชต้องปาจิตตีสิกขาบทที่ห สัปน ก, กวักในปาจิตติยากันห้ามชวนพ่อค้าผู้หนีภาษีเดินทางร่วมกันภิกษุรูปหนึ่งรู้อยู่ชวนพ่อค้าผู้หนีภาษีเดินทางร่วมกันพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุรู้อยู่ชวนพ่อค้าผู้หนีภาษีเดินทางไกลร่วมกันแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งต้องปาจิตตี สิกขาบทที่7สัปน ก, กรวร์ในปาจิตติยากันห้ามชวนผู้หญิงเดินทางร่วมกันภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไปเนวโกสนชนบทจะไปสู่กรุงสาวัตถีถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งสตรีคนหนึ่งทะเลาะกับสามีขอเดินทางร่วมไปกับภิกษุนั้นด้วยสามีติดตามทำร้ายภิกษุ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุชวนผู้หญิงเดินทางไกลร่วมกันแม้ซึ่งระยะบ้านหนึ่งต้องปาจิตตีสิกขาบทที่8สัปน ก, กวักในปาจิตติยกันห้ามกล่าวตูพระธรรมวินัยภิกษุอริธะผู้เคยท่าแรงมาก่อนมีความเห็นผิด กล่าวตูพระธรรมวินัยพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทใจความว่าเมื่อมีภิกษุกล่าวตูพระธรรมวินัยภิกษุทั้งหลายพึงห้ามปรามถ้าไม่เชื่อฟังสงพึงสวดประกาศเพื่อให้เธอละเลิกซะสวดประกาศครบสามครั้งยังไม่เชื่อฟังต้องป่าจิตตีหมายเหต คำว่าสงหมายถึงพระภิกษุจำนวนสี่รูปขึ้นไปนะครับสิกขาบทที่เก้าสัปน ก, กัลวะในปาจิตติยากันห้ามคบภิกษุผู้กล่าวตู่พระธรรมวินัยภิกษุฉับพคียังคบหาพระอริทธผู้กล่าวตู่พระธรรมวินัยผู้ยังไม่ยอมละทิ้งความเห็นผิดนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามคบห้ามอยู่ร่วมห้ามนอนร่วมกับภิกษุเช่นนั้นทรงปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดสิกขาบทที่สิบสัปนปกะวัวร์ในปาจิตติกันห้ามคบสัมเนธผู้กล่าวตูพระธรรมวินัยสัมเนธชื่อกันดะกะ มีความเห็นผิดกล่าวตู่พระธรรมวินัยสงจึงขับเสียจากหมูภิกษุฉพภาคีกลับคบหาพูดจาร่วมกินร่วมนอนกับสัมเนธ น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพูดด้วยห้ามใช้สอยห้ามใช้ของร่วมกันหรือนอนร่วมกับสัมเนธเช่นนั้นทรงปรับอาบัติปาจิตตีแกภิกษุผู้ล่วงละเมิด หมายเหตุสับบาลีว่าสัมพุทธเชยยังมีคำอธิบายในท้ายสิกขาบทว่าการร่วมใช้อามิตรเช่นให้อามิตรหรือรับของกับอีกอย่างหนึ่งการให้ธรรมะร่วมเช่นแสดงธรรมหรือให้แสดงธรรมร่วมกันโดยบทโดยอักษร